จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระอาจารย์สิงห์มิสุโทโธแห่งวัดพระพุทธบาทถ้ำปราไผ่อํเภอรีจังหวัดลำพูนจะได้มาอ่านหนังสือเรื่องฟื้นจากความตาย ให้ฟังเนอะคุณอ ม, มอรรตคำาหงสาผู้ไปเยือนโลกหลังความตายมาถึงสามครั้งคุณอ ม, มอรรตคำโหงสาเป็นเจ้าของร้านอ ม, มอนรรตบาร์เบอร์สถานให้บริการแต่งผมท่านชาย ด้วยช่างสุภาพสตรีอยู่ใกล้กับวัดไข่ตันสะพานควายก อ, มอทมกรุงเทพมหานครนี่เองเธอเป็นสุภาพสตรีร่างสูงปร่งผิวขาวตามแบบชาวทีทหล่าบสูงคุณอมอนเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิได้เข้ามาใช้ชีวิต อยู่ในกรุงเทพหมหานครตั้งแต่ปีพศ2511เป็นเวลาถึง34ปีเต็มชีวิตของคุณอมรอรัตน์มีหลายช่วงที่ทำให้ต้องไปประจนกับความน่าสะพรึงกลัวของโลกวิญญาณและเรื่องของกรรมซึ่งเธอได้เปิดเผยอย่างไม่ปิดบงังเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อนมนุษย์ทุกคนให้ได้ตรับถึงเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมคุณอมรรัตเมื่อตอนเป็นเด็กนั่นเป็นคนเจ้าอารมณ์และโมโหร้ายหากกฎขึ้นมาแล้วแล้วก็สั์เล็กสั์น้อยขวางหน้าเป็นเล่นางานไม่เลียงตอนนั่นจำได้ว่ามีหมูของชาวบ้านที่อยู่กล้กัน หากินเข้ามาในเขตบ้านเด้เที่ยวกินพืชผักที่ปลูกปล่ยเสียหายมากคุณแม่ดุคุณอมรรัตว่าไม่คอยดูแลให้ดีปล่อยให้หมูมาทำลายพืชของเราจนปีบปนเมื่อถูกแม่ดุดา่าก็เกิดความเคียดแค้นว่า ไอหมูตัวนี้ทำให้เราเดือดร้อนหากเข้ามาอีกคราวนี้ไม่เลี้ยงแน่เตรียมท่อนไม้ที่เป็นด้ามเสียมเอาไว้ขนาดกำลังเหมาะมือเจ้าหมูเคอะ้ร่พอได้เวลาหาอาหารก็อาจมูกดมน้นโดมนี่หาทางจะ ก, กินทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความหิว ซึ่งเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งของคนและสัตว์ทํางปวงซึ่งจะต้องบําบัดกันจนกว่าจะตายจากร่างกายนี้ไปคุณอมรอรัฐคอยดูเจ้าหมูไม่วางตาในมือกุ่มท่อนไม้ที่เตรียมไว้แน่นแอบอยู่หลังต้นกล้วยคอยที่อยู่อย่างเงียบๆยำหมู พู้ถึงขาดเดินเข้ามากินต้นกล้วยอ่อนอย่างอร่ อ, อยอร่อยมาเลยระมัดระวังระแวงว่าเพชฌฆาตกำลังจ้องจะเอาชีวิตอยู่ใกล้ๆนี่เองคุณอมรอเงิดเงื้อท่อนไม้ขึ้นจนสุดแขนแประกางว่าไอหมูไวายตายเสเถอะมึงเพราะมึงมันตะการ ทำให้กูต้องถูกแม่ดุไม่มีมึงเสียตัวหนึ่งกูจะได้ไม่ต้องมาคอยระแวดระวังเว้ยท่อนไม้กระนำลงไปที่หัวของเจ้าหมูตัวนั้นก่อนมันจะร้องอหันหลังจะวิ่งหนีจะแชาไปเพราะไม้อันเดิมหมดปาดขาหน้าของมันสองข้างหักพับลงกับที่ ไปไหนไม่รอดแล้วทีนี้ในใจรอดเอออิดด้วยความกลัวตายไม่ถูกกระนลงไปซ้ำอีกจนกระทั่งการดินรนของมันเงียบลงจ้าหมูตัวนั่นตายขาที่เสียงแม่ซึ่งได้ยินหมูร้องวิ่งมาดูร้องว่าตายแล้วตายแล้วลูกแม่ตีมันจนตายเลยหรือเนี่ยโถเออกรรมแท้ๆกําแหล้เวนหนอเวนตีมันแค่มันเจ็บ มันก็เขตแล้วะไม่ว่าอะไรคุณอมรรัดทิ้งไม้แล้วเดินขอตกไปอีกทางหนึ่งแม่จึงทําหน้าที่ในการแลกเอาหมวตัวนั่นไปโยนไว้ในเขตบ้านที่อยู่ถัดไปอันเป็นเจ้าของบ้านอันเป็นเจ้าของของมันเพื่อปัดความรับผิดชอบไปให้พ้นบ้าน เพราะการฆ่าหมูของชาวบ้านต้องชดใช้เงินเรื่องก็นเงียบไปหมูตายฟรีเจ้าของก็เอาไปทำอาหารกินเพราะจับมือใครโดนไม่ได้อายุประมาณสิบสองขวบแม่ก็ส่งมาอยู่กับพี่สาวที่ออกเรือนมาอยู่ที่อำเภอสุเมนประกอบอาชีพทำงานอยู่โรงงานทอกระสอบ ซึ่งตอนนั้นแม่กําลังเจ็บอดอดๆอดแอดแอดและก็ถึงแก่กวาลงหลังจากที่ส่งคุณอมรรัฐมาอยู่กับพี่สาวได้ไม่นานจากนั้นเธอก็ได้ย้ายมาอยู่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่ขางทะเลชอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนั้น เมื่อรับเงินเดินมาแล้วพี่สาพอจะเข้ามาในเมืองเพื่อซื้อของจนเป็นและของที่พอใจการเดินทางจากที่พักมาในเมืองนั้นอาศัยรถสองแถวมุโรทั่งที่เป็นสายเลือดใหญ่ของชาวบ้านที่ทนวิ่งฝ่าถนนรูปรังเป็นหลุมเป็นบอ่อควรขับรถสองแถว เอาแน่ไม่ได้บางคันก็เอาคนที่พอขับรถได้มาขับใบขับขี่ก็ไม่มีเรียกว่าใครใครขับก็ขับเพราะเป็นรถสงแถวที่ไม่มีสัมปทานไม่มีใครกล้าเอารถไปวิ่งเพราะถนนจะทำให้เครื่องเคลาและช่วงล่างพังออกเป็นกปิกกะปิ ทางที่รถสองแถววิ่งไปนั่นตอนหนึ่งจะตัดผ่านป่าชาในวงเล็บผีดิบแต่ก่อนเขาเอาคนไปฝังไว้เวลาขุดทำถนนยังพบโครงกระดูกอยู่หลายโครงถนนตรงจุดนั้นกลางคืนไม่มีใครกล้าวิ่งผ่านเพราะผีดุและมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ มีคนตายแล้วตายอีกทำให้เพิ่มข่าวรือมากขึ้นเป็นทวีคุณทุกคนล้วนกลัวความเฮี้ยนกันอย่างฝังหัวว่า น, น่้นคุณอมอรรฐยังจำได้ดีเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานสืนเธอเล่าอย่างตื่นเต้นว่าพี่สาวมาชวนเที่ยวในเมืองขึ้นรถสองแถวมาด้วยกันโดยนั่ง ข้างหน้าคู่กับคนขับซึ่งอายุประมาณสิบแปดปีพี่สาวนั่งติดกับคนขับชวนคุณอมรอรัฐนั่งติดกับประตูหรือหน้าต่างพอได้เวลารถก็เคลื่อนที่ออกคนขับขนองมากๆวิ่งตะบึงรถกระดอนขึ้นกระดอนลงยกใช้ทีฝาที จนหัวสั่นหัวคลอนกันท้งคันนะฝุ่นพุ่งตลบพอมาถึงตรงบริเวณที่ผ่านป่าช้าเก่าเท่านั้นและรถก็โยนตัวขึ้นคุณอมรรัฐรู้สึกว่าตัวเองถูกกระแทกอย่างแรงแล้ววูตลงไปจากรถคุณอมรรัเน่า ว, ว่า ดิฉันนั่งเอามือเขา้าน่าแต่งรถรู้สึกว่ารถมันกระดอนขึ้นแล้วก็กระแทกไปด้านข้างอย่างแรงเสียงประตูรถรั่นดังแกรกแล้วประตูก็เปิดผางออกฝุ่นฟูเข้ามาดิฉันไม่ได้ทันระวังตัวก็เลยเอาหัวพุ่งออกไปจากรถทั้งตัวมองไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกว่าตัวเอง พุ่งไปกระแทกกับของแข็งและรู้สึกเหมือนว่าพุ่แล้วก็หลับไปพอรู้สึกตัวก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็นแน่แต่รู้ว่าเป็นตัวเองชื่อเรียงเสียงไรรู้หมดแต่ร่างกายกับโปร่งใสหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเงา เวลาเรายืนอยู่กลางแดดนั่นแหละยังไม่ทานจากก้าวเดินก็มีผู้หญิงกลุ่มใหญ่พาการเดินออกมาห้อมล้อมเอาไว้ในจำนวนนั้นสี่ห้าคนมาช่วยกันแบกขึ้นบา่าแล้ว ก, ก็เริ่มออกเดินทุกคนส่งเสียงโหร้องดีใจคนที่แบกร้องบอกว่าดีจริงจริงดีจริงจริง มาแล้วหรอมาแล้วเหรือกำลังรออยู่พอดีไม่นึกว่าจะมีคนมาเพิ่มเร็วอย่างนี้ไปกันเถอะไปกันเถอะไปกับพวกเราเถอะเราจะพาไปที่ที่พวกเราอยู่กันเน้อเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาดิฉันก็เลยถามพวกบอกไปว่าที่ไหนจะพาไปไหนกันไม่เอา้าบอกก่อนว่าจะไปที่ไหน จะาพาไปไหนกันไม่เอาบอกก่อนว่าไปที่ไหนไม่ต้องถามหนะ้าไปกับพวกเราพอแล้วกันอย่าชักช้าเราจะพาไปไปอยู่กับพวกเราเถอะเราจะพาไปสบายไปอยู่ที่ดีๆกันนะดิฉันเกิดความกลัวเพราะคาว่าที่ดีๆนั่นอนะ่ะมันมักจะใช้กับคนที่ตายไปแล้วเท่านั้น จึงต้องเอนะเออกไปเต็มเสียงว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปพวกที่แบกก็แบกเดินหน้าต่อไปตอนนี้ดิฉันเริ่มได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแว่วแว่วมาจับเสียงได้ว่าคนตกรถสองแถวหน้ากลัวไม่รอดแน่นิ่งไปเลยแน่สงสารไม่น่าเลยไอ้คนขคับมันคงจะ ม่ยอมหยุดดูมันคงเพ่นหนีไปๆแล้วนิฉันสุขคิดในใจว่าใครกันนะตกรถสองแถวต้องไปดูจึงบอกกับคนที่แบกไว้ว่าไปก็ได้แต่ขอกลับไปดูก่อนว่าใครตกรถสองแถวหรือใครถูกชนให้เห็นดําเห็นแดงก่อนแล้วค่อยไปด้วยกัน ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ไปไปกับพวกเราเถอะนิฉันอ้อนวอนอยู่เป็นนานสองนานพวกนั่นจริงหยุดเดินแล้วก็อบอกกับิฉันว่าตกลงไปดูแล้วต้องกลับมานะอย่าผิดสัญญาละ่ะนะกล่าวจบเขาก็วางดิฉันลงนิฉันก็วิ่งตื้อมาทางที่ได้ยินเสียงคนพูดว่าคนตกรถเสียงหนึ่งก็แว่วมาในหูเสียงนั่นดังค่อย จนจบความไม่ค่อยได้เสียงคล้ายมแมลงวีมาบินตอมหูยิ่งเดินใกล้เข้าไปเสียงก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นไปลําดับลําดับเสียงนั้นเป็นเสียงเรียกปูนซื่ออื่นของคนที่กําลังอยู่ในความทุกข์มีเสียงนั้นดังชัดเจนว่ากลับมาก่อนเธอหนองพี่กลับมาก่อนเถอหนองพี่รัดเออไปกลับมาก่อกลับมาก่อน จะทิ้งพี่ไปเลยเรามีกันไม่กี่คนนะน้องจ๋าตายจากไปแล้วพี่จะเห็นหน้่คอยเล่าพอมาถึงจุดที่เสียงเรียบดังชัดเจนก็มองเห็นคนยินมุงดูอะไรกันแน่นไปหมดใครพูดอะไรก็ได้ยินหมดทุกคำชัดเจนใครกล่าวถึงได้ยินตลอด รู้ตัวว่าเป็นตัวเองแต่ร่างกายมันปุ่งสวยเหมือนเงาคนตายนี่เขาว่าหูทิพนิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาพูดนะพูดจริงนะขณะนั่นเองก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินอ้อมผู้คนที่มุงดูมาหยุดยืนหยุดตรงหน้านิฉันชนายคนนั้นนิฉันยังจำได้แม่นโขงของแกงอกขาวแซมดำ ใส่กางเกงขาสั้นสีขี้ม้าเก่าจนชิดใส่เสื้อแขนสั้นลายสกอ็อตแกมายืนหันลีหั น, นขวางอยู่นิดหนึ่งก็เอามือแวกคนให้เป็นช่องแต่ก็ร้องว่ามูหาอะไรกันว่าคนเจ็บกำลังต้องการอากาศแล้วพวกเมืองเป็นอะไรกับคนเจ็บระหว่า มุ่งให้มันตายเรือไงกันไอ้พวกบ้าเอ้ยเอกไปเอาไปเอาไปให้พน้นแบกทางหน่อยช่วยจะมามุง่งคนแบกออกเป็นช่องไอ้ชายคนนั้นเดินเข้าไปที่ดิฉันนอนอยู่ดิฉันเดินตามหลังเข้าไปติดๆแต่แกกลับไม่รู้สึกอะไรเลยพอเข้าไปใกล้ร่างที่นอนอยู่ดิฉันใจหายว่า กนนั่นมันตัวดิฉันนี่นะ <c oughs> นอนหงายขาเหยียดยาวมีพี่สาวพยาวตัวร้องไห้ด้วยปลุกเรียบไปด้วยดิฉันคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือนี่ตัวดิฉันเป็นอะไรไปจึงกลายเป็นคนสองคนไปได้ชายคนนั่นเข้าไปดึงพี่สาวดิฉันออกห่างแล้วจัดให้ดิฉันนอนราบจัดแขนขาให้เข้าที่เข้าทาง ตอนนี้บุคคลแบบช่องให้ทั้งหัวและท้ายลมพัดผ่านตลอดนิฉันคิดว่าจะเข้าร่างตัวเองจะทําอย่างไรดีหานหลังหันขวางไม่รู้จะทําอย่างไรในที่สุดก็ตัดสินใจมายืนที่ปลายเท้าหันหลังให้ตัวเองแล้กวก็กะระยะให้ปลายเท้ากับเขา่าตรงกับร่างที่นอนแล้วค่อยๆเอ็นตัวลงซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไป มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันแต่ค่อยๆซ้อนลงไปยิ่งซ้อนลงไปมากขึ้นแรงที่พี่สาวเขอายา่อแขนก็ริ่มแรงขึ้นความรู้สึกยิ่งค่อยๆชัดเจนขึ้นในที่สุดก็ซ้อนลงไปได้หมดและดึ่มใจได้ได้ยินเสียงคนร้องกันว่าพ้นแล้วพ้นแล้วแม่ว่ากลับไปบ้านเขาเชือดนี่โอ้โหที่ตรงนี้นะลายไหนรายนั้ น, น, นไม่รอดเลยอะ รายนี้ประหลาดเว้ยรอดมาได้ดิฉันลุกทะลึงพวดขึ้นมาด้วยความตกใจพอยืนขึ้นได้ก็ล้มฟาดลงไปอีกขาของดิฉันปวดแปบดิฉันจึงขยับขารู้ว่าขาไม่หักแต่หัวเข่าน่าจะเคลื่อนหรือเป็นอะไรสักอย่างดิฉันหมดปัญญาเดินขอจึงช่วยกันหามขึ้นรถสองแถวอีกคันหนึ่ง ตอนมาดิฉันได้รับฟังจากพี่สาวว่าตอนที่ดิฉันตกรถสองแถวนั่นประตูเปิดระหว่างฝุ่นพัดเข้ามารถโค้งไปแล้วโดดโค้งมาประตูก็ปิดกลบเข้ามาอย่างเดิมพี่สาวนั่งเพลินไปจนถึงตลาดในเมืองเมื่อหันมาดูก็มาเห็นแล้วจึงร้องเอะขึ้นนั่นแหละจึงได้รู้ว่าดิฉันตก รถไปแล้วคนขับเงือกแตกไล่คนโดยสารลงบอกจะขับกลับไปดูว่าดิฉันตกลงตรงไหนแต่คนโดยสารทุกคนเป็นห่วงไม่ยอมลงจากรถนั่งติดรถไปดูดิฉันทั้งหมดก็ปกที่มุงดูนั่นแหละเจ้วค่ะเออรถสองแถวพาดิฉันไปหาหลวงพ่อที่วัดหนึ่งในตัวอำเภอแทนที่จะไปพาไปหาหมอเพื่อรักษาแผนปัจจุบัน หลวงพ่ออาน้ำหมักค่น พ, พูดพูดพูดพูดาสามทีนิฉันกลับมารักษาตัวที่บ้านลูกสวบ้าหัวเขาคงจะเป็นอะไรสักอย่างหัวเข่าข้างขวาของนิฉันบวมโตออกมาเหมือนลูกกระท h o n ลูกให ญ, ใหญ่เดินไม่ได้จะไปข้อางาน้ําหรือหานา้ำดื่มก็ต้องถอดแทดถอดแถดถัดถัดไปเหมือนกับคนเป็นง่อย เดือนหนึ่งเต็มๆนะเนี่ยที่หลวงพ่อพุอน่นนำมารักษาดิฉันจริงค่อยเดินได้ตอนนี้เองดิฉันเริ่มรู้ว่ากรรมมีจริงกรรมที่ดิฉันตีหมูได้ดิฉันตีหัวมันตีขาหน้าจนหักและทุบซ้ำจนมันตายขาที่กับมือดิฉันจริงตกรถสองแถวแล้วหัวเข้าบวมโต ต้องทรมานเหมือนกับเจ้าหมูตัวนั่นคิดได้อย่างนี้แล้วดิฉันจริงไหมทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตั้งแต่นั้นต่ไปอีกเลยเพราะกลัวกล่อมแท้ๆนั่นเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความตายคนที่มาต้อนรับดิฉันคงจะเป็นคนที่ตายอยู่ที่นั่นทั้งเก่าและใหม่เมื่อดิฉันตกจากรถกระแทกกับพื้นดิน จนขาดความรู้สึกนัานวิญญาณหรือกายทิพย์คงออกจากร่างแล้วไปพบกับวิญญาณเหล่านั้นพอดีพวกเขาจึงต้อนรับน้องใหม่และพาไปอยู่กับพวกเขาในปาชาถ้าดิฉันไม่ดิน้นรนแล้วแล้วก็พวกเขาคงนำวิญญาณไปอยู่คือว่านําไปรับไม่กลับ ไม่อาจกลับมาขอร่างได้นี่คงเป็นเพราะดิฉันยังไม่หมดบุญรักมังคค่ะจึงรอดมาได้เออพวกเราที่รักทั้งหลายทั้งผู้อา่านผู้ฟังจำไว้ว่าเราเกิดมานี่นะไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้มันเหมือนหุ่นยนนะ เราคือจิตที่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ไม่นานเราก็จะจักร่างกายนี้ไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าบุญจะเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายบุญจะมีขึ้นมาได้ก็โดยการกระทำการเข้าไปหาบุญไม่ใช่บุญมาหาเรานะบุญจะสาเร็จขึ้นมาได้ก็เพราะทานาไมการทำบุญให้ทานศีรษะไม การรักษาศีลภาวนาใหม่การไหวพระสวดมนต์เรือนสมบะกรมะกรมฐานาะะนิปพัฒนากรรมฐานพระฉนา้นทั้งลูกเล็กเด็กแดงผู้ท่อผู้แก่หรือว่าโยมทั้งหลายที่กำลังเป็นอวยกลางคนทุกทว น, น้าพระเถรเนรชีทั้งปวงอย่าลืมสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเองตามคามสั่งคาสอนขององค์พระพุทธเจ้า ยอย่าประมาทเน้อว่าเราจะตายเมื่อไรเราไม่รู้ได้เนะ้อถ้าเราทําบุญไว้ดีแล้วบุญจะเป็นที่พึ่งของเราเราจะได้มีความสุขเมื่อมีชีวิตยอยู่เราก็มีความสุขสดชื่นตายไปแล้วถ้ า, าว่าเราไม่ได้ทําบุญทําทานไว้ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาก็เสียทีแท้ๆเนะ้อไปเมืองผีแล้วเราจะลําบากมากนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นใครเนอะจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้อัตาหิอั ต, อตโนโนาโถองค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเราจะทําความดีก็รีบรๆทำเสียเมื่อมีลมอาจจะเข้าออกนี่เนอะถ้าหมดลมแล้วลําบากนะไม่มีที่พึ่งนะจ ะ, จะมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะ จะอ่านต่อบทนี้เสียงนาดิกาองบอกว่าหมดเวลาแล้วเนะอะกขอตั้งจิตอธิษฐานขอราตนาคุณพระคุณเทพคุณบิดามดาคุณทานศีลภาวนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลจุงรุนบันดานปัะทานพรน้พวกเราทั้งหลายทั้งผู้อ่านผู้ฟังทุกคนหน้าตลอดถึงผู้มีความเ อ, อื้ออารีให้ธรรมะ ทานนี้ได้สำเร็จรวดร่วงไปได้ ด, ด้วยดีอันมีท่านมณีมณิโตห่งวัดสานพันธ์ท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครคุณสมฤดิศริกุทธาคอนและลูกโอจังหวัดสมุทรปราการคุณสมศักดิ์เหมวิโรธคุณรัตนาศิารารังจังหวัดระยองคุณ บาีศีนารางจังหวัดพิจิตคุณยานีรวมยอดคุณบิบิญาณกมุกเกติยศแห่งกรุงเท พ, พมาหานครคุณจารุนันตันติวรวิทแห่งจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ทุกๆพระองค์ทุกทุกทุกนางทางผู้ฟังทุกท่า น, นาจงประสบแต่ความสุขสวัสดิพ์พิพัฒน์มงคล สมบุญณ์ผลผลไปตลอดสระักเท้าขอสุภนิพานุทุกทว น, น้าเถินขอเจริญพร